หน้าบัดนี้ท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมโดยสมณะทราบซึ้งสลิเตโชแสดงธรรมในเรื่องคำสอนสุดท้ายของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้เมื่อวันที่22ทธันวาคมเมื่อปีพุทธศักราช2545หณพุทธสถานสันติอโศกตอนที่หนึ่ง ในะเรื่องของประโยชน์ตนประโยชน์ท่านะแล้วมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงมันยังไงแล้วคนเราได้ยินคําว่าคําตรัสสุดท้ายที่พระเจ้าท่านก่อนปรนนินะิพานเราเองเราเราเข้าใจสักแค่ไหนนะในเรื่องประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจนบางทีตัวเราเองเราก็ ฟังฟังไปอ่ะมันก็พอจะรู้พอจะเข้าใจแต่พอเอาจริงๆเข้าในชีวิตจริงๆของเราบางทีเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรมันมากอะ่ะก็ทําทําไปคือมันไม่มีคําว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านขึ้นมาในในใจเราจริงๆจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นเครื่องเ ต, ตือนสติเรานล้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นคือคือเรารู้แหละ ฟังดูก็พอจะรู้อยู่ประโยชน์ตนไปอย่างนี้ประโยชน์ท่านเปอย่างนี้นะซึ่งจริงๆแล้ว ม, มันก็มีความแตกต่างหรือว่ามีความชัดเจนที่บางทีถ้าเราไม่เข้าใจมากพอมันก็มันก็ทำให้เราเข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะวันนั้นพอดีก็ยกคำตรัสสุดท้ายที่พระเจ้าท่านตรัสเอาไว้อัตมา ก, ก็จำข้อความ ไม่ได้ทีเดียวนะจำได้แต่โครงสร้างนะว่าเป็นทํานองว่าอะไรสังขารทั้งหลายนะมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาได้มาละท่านทั้งหลายเนี่ยจงยังกิจทั้งปวงนะโดยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนี่ยให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด ก็คงทำนองเนี้ยนะเท่าที่จำได้ยห้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่ท่านจะปรินิพพานโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะจะจากไปทั้งทีอ่ะพูดง่ายจะจากไปทันทีแล้วก็ตัดโอวาสุดท้ายอันเนี้ยให้ให้เป็นเครื่องเตือนใจนะเตือนสติของภิกษุทั้งหลายแสดงว่าคำเนี้ยท่านจะต้องสรุปมาละ ใชไท่านจะต้องสรุปรวมมาแล้วมันเหมือนกับเราเนี่ยถ้าเราพูดภาษาง่ายๆนะถ้าเราจะตายสักอย่างเนี่ยเราก็คงจะพูดอะไรที่มันอะไรยืดเยื้อเราคงไม่พูดแล้วเราคงจะพูดแก่นแก่นไอ้ที่มันเป็นหลักๆเนี่ยฝากเอาไว้เท่านั้นเองยกเว้นว่าก่อนจะตายใครไม่มีสติเท่านั้นแหละแต่ถ้ามีสติอยู่เนี่ยเราก็คงจะพูดสิ่งที่สำคัญสิ่งที่จาเป็น ที่เราอยากจะพูดที่สุดอันนี้คิดง่ายๆนะกับกับเราซึ่งธรรมดาธรรมดานี่แหละยิ่งระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหท่านจะปรินิพานคิดดูเอาก็แล้วกันเพราะนั้นคำที่ท่านจะฝากไว้ให้นี่นะท่านจะต้องพิจารณาอย่างดีแล้วแหละว่าเออจะฝากอันนี้ให้กับภิกษุทั้งหลายนะเพราะนั้นเอาง่ายๆอย่างเช่นท่านบอกว่าสังขารทั้งหลายเนี่ย นะเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเอาแค่ง่ายๆว่าสังขารเนี่ยไ อ, ไอเรื่องร่างกายสังขารร่างกายเนี่ยอันนี้ก็ง่ายอยู่แล้วแหละใครๆก็รู้ว่าเกิดแล้วดีวก็แก่ใช่ไหมบางทีก็เจ็บแล้วก็ตายอันตรมาว่าอันนี้คงไม่ต้องให้ผู้เจ้าตรัสตรัดบอกก็ได้เราเองเราก็คงพอรู้พอเข้าใจอยู่แต่ มันคงจะต้องลึกกว่านี้นะมันสังขาร ไ, ไม่ได้แปลแค่ร่างกายสังขานี่ยังรวมไปถึงเนี่ยการปรุงจิตความคิดนึกอะไรต่างๆของเราอันนี้เขาก็เรียกว่าสังขารแม้สังขารอันเนี้ยมันก็เสื่อมได้นะคุณอย่านึกว่ามันไม่เสื่อมน่าจะเป็น ความทรงจําก็ตามนะเป็นแบบสัญญาเนี่ยจะเป็นความทรงจําก็ตามหรือจะเป็นความคิดเราก็ตามความคิดเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันคือมันมันไม่หยุดนิ่งเหมือนกันมันไม่อยู่กับที่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบดีขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าหรือมันเปลี่ยนแปลงแบบแย่ลงคือเราคิดในทางที่ ไม่ถูกต้องหรือในทางที่ผิดพลาดอย่างเงี้ยหรือว่าในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรเราคิดอย่างนั้นเนี่ยมากขึ้นเรื่อยเรื่หรือเปล่าเพราะคนเรามันความคิดมันไม่หยุดสมองเนี่ยสมองคนเราไม่ได้หยุดคิดเพราะมันก็สังขารไปเรื่อยก็ปรุงแต่งไปเรื่อยปรุงแต่งไปเรื่อยแต่คราวไหนล่ะที่คุณปรุงแต่งอีนี้ท่านก็บอกว่า ยังกิดทั้งทั้งปวงเหนือทั้งหลายเนี่ยใช่ด้วยความไม่ประมาทใช่โดยเป็นประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านเนี่ยเพราะฉะนั้นการปรุงแต่งทั้งหมดของเราในด้านความคิดมันจะมาอยู่ตรงประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านท่านใช้คำว่าประโยชน์น้วยนะ ค, คุณอย่าไม่เสียเวลาที่จะไปปรุงที่ไม่มีประโยชน์ละเพราะไร้สารละ ไร้สาระไม่มีประโยชน์จะไปปรุงทำไมเปลืองสมองเปลืองเวลานะเปลืองพลังงานแม้ความคิดก็เปลืองพลังงานเพราะฉะนั้นนะให้เห็นเลยว่าอะไรที่มันเปลืองสมองไปเปล่ปาเปล่ี่ยนหรือบางทีนี่คําว่าเปลืองเนี่ยหมายถึงว่าเราเผาผลาญพลังงานนะหรือสูญเสียความคิดไปในขณะที่วันเวลาของชีวิตเรา มันมันผ่านไปเรื่อยๆถ้าคุณสูญเสียวินาทีนี้คุณสูญเสียชั่วโมงนี้เท่ากับคุณศูนย์ไปแล้วใช่ไหมคุณคุณติดลบไปเลยอ่ะพูดง่ายว่าคุณศูนย์แบบติดลบไปเลยเพราะมันเรียกคืนกลับมาไม่ได้จะไปทําแทนที่ที่ตะกีนีเมื่อชั่วโมงที่แล้วคิดอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ได้ละเพราะวินาทีข้างหน้าต่อไปมันก็ต้องคิดคิดอะไรอีกอะ ต้องคิดอะไรไปอีกละจะเปลี่ยนแปลงหรือคุณจะคิดซ้ําเดิมก็แล้วแต่แต่มันก็คิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นไม่มีทางอื่นเลยจริงๆก็มีแต่ต้องต้องคิดให้มันดีไปเรื่อยๆไม่มีทางอื่นถ้าคิดไม่ดีคุณก็ติดลบคุณก็ติดลบมันเป็นวิบากทันทีแม้แค่ความคิดมันก็เป็นวิบากนะอ่ายิ่งถ้าคิดไม่ดีเนี่ยก็เป็นวิบากบาป ถ้าคิดไม่ดีแต่ถ้าคุณคิดดีคุณก็เป็นวิบากบุญไปส่วนถ้าเราบอกว่าเอาเราไม่คิดอะไรเลยอะตอนนี้เราไม่คิดอะไรเลยไม่ปรุงดีก็ไม่ปรุงชั่วก็ไม่ปรุงคุณเอาเฉยๆคุณพยายามเอาจิตเฉยๆนะเหมือนพวกลือศีเนี่ยสายเจโตที่เป็นแบบลือศีเขาจะพยายามไม่ปรุงไม่คิดอะไรทั้งสิ้น ให้จิตมันแบบว่ามันเด๋อสบายสบายไปอย่างนั้นนะ่ะไม่ต้องคิดไดเลยหรือเขาจะบอกว่าจิตว่างก็แล้วแต่ว่างแบบไม่มีไม่มีทั้งดีทั้งชั่วนั้นก็อยู่ที่ศูนย์อยู่ที่ศูนย์อีกบางกันคุณคิดดูเถไม่มีทั้งดีทั้งชั่วก็คือศูนย์ถูกั้มละ่ะก็ยังคงศูนย์เปล่าอีกอยู่ดีใครเนี่ยที่ทำจิตว่างโดยที่เราเองไม่มีทั้งดีทั้งชั่ว คนนั้นก็ยังคงศูหรืออาตมาก็ยังคงบอกว่าอย่างยี่ก็ยังติดลบเพราะชีวิตจริงๆมีค่ากว่านั้นน่ะถ้าคุณไม่ทำให้ให้ความคิดเป็นแง่บวกขึ้นมาแง่บวกขึ้นมาถูกไหมคุณทำให้ติดลบคือคือคุณคิดร้ายไปเลยหรือคุณคิดชนิดที่เรียกว่าจิตว่างไม่ต้องปรุงอะไรเลยเหมือนการศูนย์เปล่าทั้งสองอย่างนี้ เพียงแต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยศูนย์เปล่าเปล่าจริงๆคราวนี้ถ้าใครจิตว่างจริงๆอ่ะศูนย์เปล่าจริงๆแต่ถ้าใครคิดจิตในแง่ร้ายติดลบแต่ยังคงเป็นความสูญเสียไม่มีประโยชน์เพรา ะ, ะนั้นความคิดแบบที่เขาบอกว่าจิตว่างโดยที่ไม่คิดอะไรเลยทั้งดีทั้งชั่วอันนั้นน่ะจริงๆไม่ใช่คําว่า จิตว่างอย่างของศาสนาพูธจริงๆจิตว่างของศาสนาพทดจริงๆคือว่างจากความชั่วร้ายว่างจากกิเลสจริงๆแล้วหมายถึงคิดในแง่บวกคิดคิดในด้านกุศลนะพระเจ้าถึงยืนยันว่ า, าไม่มากน้อยในกุศลธรรมนั้นคำนี้ก็เป็นคายืนยันแล้วว่าก็ในเมื่อไม่มากน้อยในกุศลธรรมอะ แต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้มักมากนะแต่ท่านบอกว่าอย่าไปมักน้อยในกุศลธรรมซึ่งอันนี้ก็ยืนยันแล้วว่าแสดงว่าจะต้องหมั่นคิดดีเอาไว้เสมอคิดที่เป็นกุศลคิดที่เป็นประโยชน์ตนก็ตามประโยชน์ท่านก็ตามจะต้องคิดอันเนี้ยเสมอเสมอเวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปเนี่ยบางทีคนเราอ่ะก็คิดทั้งนั้นแหละ ไม่มีใครหยุดคิดหรอกนอกจากจิตคุณว่างจริงๆใช่ไหมแล้วก็ถามคุณนะ่ะป่ะคุณทำจิตว่างได้จริงๆหรือเปล่าว่างแบบที่เอาว่างแบบที่เขาบอกว่าไปฝึกทาสมาธิแล้วทำให้จิจตว่างไปเลยคุณทำว่างอย่างนั้นได้จริงๆมะ<ๆ>คุณทำไม่ได้หรือต่อให้คนที่เขาฝึกมาแล้วเขาบอกว่าเขาทำได้นะเขาจะทำได้สักกี่วัน หรือว่าวันหนึ่งเขาจะทําได้สักกี่ชั่วโมงแล้วเวลาเคขาต้องออกมาจากจิตว่างอะ่ะคนเรามันจะว่างเดอ้อไม่ไม่คิดอะไรเลยนะคุณก็ไม่ทําอะไรเลยสิถูกกับเปล่าเพราะาคุณไม่คิดอะไรเลยแต่คนเราอะ่ะมันต้องทําใช่ไหมบางทีต้องเดินต้องไปนวดมานี่อาจจะต้องพบเห็นอะไรมันก็คิดแล้วล่ะหรือพูดคุยกับใครก็ยิ่งต้องคิดใหญ่เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เห็นเลยว่าใครจะอยู่นิ่งๆเฉยๆโดยที่ไม่ทำอะไรเลยมันมันยากใช่ไหมนี่นี่คือความเป็นจริงว่ามันมันเป็นไปได้ยากมันพวกฤาษีเนี่ยนะที่เขาจะพยายามฝึกจิตที่ให้มันแบบว่านูน่นขึ้นไปแบบฤาษีไปเรื่อยๆนะชานหนึ่งจนฌานสี่หรือจะขึ้นไปอรูปฌานก็นแล้วแต่แต่เขาก็พยายามจะทจิตให้ว่างแบบเนี้ย ซึ่งไรคุณค่าไรประโยชน์พ่อท่านพูดบ่อยๆคานี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลย ถ, ถ้าเราเริ่มเข้าใจอันนี้ได้เราจะเริ่มรู้ว่าที่บางที บ, บางคนมาฝึกเจโตสมาธิเนี่ยที่บางทีเราก็ใช้ฝึกแบบฤาษีบ้างน่ะนะออทำไมพ่อท่านถึงบอกว่าฝึกเพื่อเกื้อกูล <c oughs> เกื้อกูลเราเพราะบางทีเนี่ย คนเราจริงๆ ม, มันหยุดความคิดไม่ได้เลยมันปรุงอยู่ตลอดเวลามันสั ง, สงขารอยู่ตลอดเวลาแม้บางทีเราทํางานทําการอะไรก็แล้วแต่มันก็สังขารอยู่เรื่อยก็ปรุงอยู่เรื่อยยิ่งถ้าใครเนี่ยไม่ฝึกตรวจจิตจับใจตัวเองเอาไว้ให้ดีคุณไม่ทันหรอกบอกได้เลยเพราะคนเราเนี่ยมันสะสมกิเลสมามากเวลาปรุงเวลาคิดอะไรอ่ะ ความคิดในแง่อกุศลจะมากกว่ า, ากุศลถ้าคุณไม่ฝึกปฏิบัติมานะความคิดอกุศลจะมากในแต่ละวันซึ่งอันนี้อาตมาก็บอกไปบ่อยมากเลยนะบอกพวกคุณว่าพวกคุณลองไปไปหากระดาษสักแผ่นหรือสมุดเล่มเล็กๆสักเล่มหนึ่งคุณคอยคอยขีดเอาไว้สิวันนี้คิดไม่ดีสักกี่ครั้งคิดดีสักกี่ครั้งคุณลองไปสำรวจดูเถอะแล้ว คุณจะตกใจว่าความคิดคุณมันเป็นยังไงบ้างในแต่ละวันอย่างน้อ ย, นอยเนี่ยพอคุณรู้ขึ้นมาแล้วมันมันทำให้สะดุ้งสะเทือนหรือว่าเตือนสติเราได้ดีนะว่าโอ้โหดูสิขนาดบางทีเนี่ยนั่งฟังธรรมอยู่ดีๆนี่แหละโอ้มันยังแวบไปได้แล้วนะไปได้แล้วไปไหนๆบางทีโอโ้คิดไม่ดีคิดอันกุศลเพียงเแต่ ว, ว่า คุจะคิดอกุศลระดับไหนเท่านั้นเองนะระดับอ่อนๆหรือระดับกลางๆหรือระดับเร็วร้ายแก่ๆหน่อยเนีมันก็อยู่ที่ที่จิตของเราแต่อันนี้จะให้เรารู้ว่าโอ้โหมันไปโลดแล่นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยจากสัจจะจากความเป็นจริงเรายอมรับได้ว่าเออคนเรามันปรุงสังขารอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นจะทำยังไงล่ะคราวนี้ให้เราเนี่ยสังขารเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านในทางที่มันดีเป็นกุศลให้ได้เสมอเสมอให้ได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นคราวนี้ทำไมพู้เจ้าถึงกําหนดศีลขึ้นมาให้คนคอยมาละลึกถึงศีลแล้วก็หมั่นเอาศีลเนี่ยมาตรวจกับชีวิตประจำวันว่าทำอะไรไปยังไงบ้าง ซึ่งการให้เราดึกถึงศีลเนี่ยแหละเป็นการเริ่มที่จะให้ฝึกเป็นยังไงละ่ะคราวนี้ฝึกความคิดหรือการปรุงสังขารเนี่ยเริ่มเอาจิตมาอยู่กับศีลของเราเพราะเรื่องเมื่อเราเรากถึงศีลอยู่เนี่ยจิตเราเริ่มเป็นกุศลอย์ไหมเพราะถ้าใครเนี่ยราลึกในสิ่งที่ศีลนี่คืออะไรเลวอะไรไม่ดีอย่าไปทำ ส่วนใหญ่นะข้อของศีลเนี่ยเอา้าอันนี้ชั่วอันนี้เลวอย่าไปทำละซะเวนะ้นซะมันพู้ง่ายพระเจ้ากำหนดศีลขึ้นมาให้พวกเรามาถือหรือมาระลึกเนี่ยนะก็เพื่อให้เราหมั่นจะได้มีสติคุ้มครองจิตของเราหรือให้เราเนี่ยได้ปรุงสังขารให้ละเวน้นชั่วละเว้นเลวที่ที่ที่เป็นกิเลส ข, ของเราที่เรามีอยู่ นั่นแหละเป้าหมายเนี่ยอยู่ตรงนี้ที่พระเจ้าท่านพยายามที่จะให้ให้เราเราลึกตรงนี้เพราะถ้าคนเข้าใจประโยชน์ของศีลตรงนี้ได้คนนั้นจะเริ่มรู้ละเพราะฉะนั้นเพียงแค่แต่ใครพยายามมาลึกถึงศีลหรือตะบะก็แล้วแต่ที่เราตั้งขึ้นมานะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พยายามจะงดเว้นอกกุศลทั้งหลายที่เรากําหนดขึ้นมา จริงเราไม่สามารถที่จะอะไรอ่ะแม้เลิกกิเลสหรือว่าละอักุศนทุกอย่างรวดเดียวทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้มันพระเจ้าก็เลยเริ่มจากอ้าวเอาห้าข้อนี้ก่อนคือเริ่มจากศี่ห้าใช่ไหมเอาห้าข้อนี้ก่อนคุณพยายามระลึกนะคุณพยายามนึกถึงนะคุณพยายามอย่าไปฆ่าศาสตร์ชีวิตนะพยายามอย่าไปโลภอยากลักขโมยของคนอื่นคนนะพยายาม เรื่องกามอย่าไปหยาบช้านะอย่าไปมีชั่วอะไรใครคนนะเอาเวลาพูดเนี่ยเนี่ยมันจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาพูดแล้วครนนี้พูดจาเรามั่นระวังปากนะนะอย่าให้ปากร้ายอย่าให้ปากเหม็นอย่าให้ปากเน่านะระวังปากให้ดีหรือศีข้อที่ห้าขอนี้ก็ยิ่งละเอียดขึ้นว่าเอาระวังอย่าเมา นเะมาในอะไรต่างๆอย่าไปหลงมันอย่าไปเมามันมันเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป้าจริงๆก็คือให้เราเนี่ยหัดได้เออคอยระลึกถึงแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยจิตเราก็อยู่กับกุศลอยู่กับกุศลคอยระวังอกุศลอย่างน้อยๆในห้าห้าอย่างเนี่ยที่มันเข้ามาสิ่งข้อหนึ่งก็เรื่องของความโกรธความรุนแรงใช่ไหม ถ้าเราเริ่มรู้สึกอคิดโกรธแล้วคิดไม่ชอบใจใครคิดถือสาใครมันก็จะเริ่มโอ้ยอันนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไม่ได้นี่เริ่มปรุงไปในทางไม่ดีแล้วใช่ไหมแม้แค่ประโยชน์ตัวเราเองนี่นี่นี่เราเสียประโยชน์แล้วนะเราคิดเป็นอกุศลนี่เราขาดทุนแล้วนะคุณไม่ได้กําไรอาริยะนะคุณกําลังขาดทุนแล้วนะมันจะเป็นบาปจะเป็นนี่เวร น, นี่กรรมนะ เพราะฉะนั้นนี่มันก็คอยระวังอันนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครคอยระวังอันเนี้ยในศีลข้อที่หนึ่งนี้ได้คนนั้นก็พอนึกไม่ชอบใจนึกกวนจิตลำคาญจะโกรธเคืองจะอะไรขึ้นมาเอาละสิเอาละ ส, ละสิมันก็จะจับจิตได้ใช่ไหมแล้วเราก็พยายามคราวนี้ล้างจิตล้างใจเราอย่าไปให้มันโกรธเพราะอั น, นันมันอกุศลเพราะนั้นเราก็พยายามเอ้ยจะเลิกโกรธละ่ะ จ ะ, จะไม่ให้จิตมันไปถือสานะไม่ให้จิตมันไปแค้นเคืองอะไรเนี่ยเราก็พยายามแล้วคนนี้เราจะปรุงเราก็คิดกุศลขึ้นมาใช่มเป็นความเมตตาเป็นความสงสารเป็นความเอ็นดูเป็นความที่เรียกว่าเออช่วยเหลือเกือ้อกูลคนอื่นเขาเนี่ยเราเริ่มคิดเป็นกุศลขึ้นมาเห็นหมเพราะกุศลเนี่ยมันจะมาแก้อกุศลมันจะมาล้างอากุศลเพราะั้นพอใครเข้าใจอย่างนี้ได้ก็ พอเราลึกรู้ตัวว่าอ้าวนี่จะคิดรุนแรงจะคิดหยาบคายอะไรกับเขาอีกแล้วเพราะนั้นก็จะรีบปรุงจิตในด้านที่ดีเนี่ยขึ้นมาสู้นะมาจัดการไอ้จิตด้านไม่ดีเราเพราะถ้าใครทำอย่างนี้เนี่ยดูนะแทนที่เราเนี่ยจะคิดไม่ดีกับเขาเออมันก็จิตกุศลก็เข้ามาจัดการจัดการยิ่งถ้าเราสามารถปรุงขานี้ เราสังขารที่เป็นกุศลได้เก่งขึ้นได้ไวขึ้นนะได้มากๆได้บ่อยๆขึ้นกุศลอันนี้ก็จะไปเล่นงานเออกุศลที่มันจะโผล่ขึ้นมาก็โดนเล่นงานจะโผล่ขึ้นมาก็โดนกุศลนี่เล่นงานเพราะในที่สุดใช่ไหยจิตเราก็จะบริสุทธิ์จะพองใสขึ้นมาเนี่ยเนยนยยกตัวอย่างอย่างสิลข้อที่หนึ่งหรือจะสิลข้อที่สอง เอาเราขี้โลภเงี้ยจับได้เลยโอ้โหตายแล้วตอนนี้ขี้โลภแล้วอยากจะกินไี้นั่นนะโลภไอ้นี่อยากจะได้ไอันี่เป็นข้าวของเป็นเงินทองเป็นวัตถุอ่าพอเรารู้ตัวเอา้าตายแล้วนี่นี่นี่ น, นี่อยู่ในขายของสินข้อสองแล้วนะเพราะฉะนั้นพอรู้ตัวอ่ะเออจะทํายังไงอะ่ะคนนี้กินก็จะหาเรื่องปรุงประโยชน์ตนที่จะ เป็นประโยชน์ตนขึ้นมาว่าอ่าอย่างเช่นขี้โลบเอาอะไรมาล้างบ้างจะคิดยังไงใ น, นแง่บวกใ น, นแง่กุศลที่จะมาสู้หรือว่ามาล้างกับอกุศ ล, ละจิตตัวนี้ไดออ้ไอตัวโลบนี่มันก็ขอบหวงอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของถูกไหม อ, อ, อยากจะเอามามากมากมา ก, มา ก, มากใช่มเราก็เริ่มปรุงสิเอาเอามาม า, มากแล้วมันมันทุกข์ยังไงอะ ใช่ไหมหรือบางทีก็ไปแอ บ, บๆเอาเข้ามาด้วยโอ้โหยิง่งผิดถ้าจะผิดศีลข้อสองเนี่ยยิ่งมีวิบากกรรมหนักอย่างนั้นหนักอย่างนี้นะอีกน้อยจะต้องชดใช้หนี้คืนเขาอย่างไงคือพอเราคิดอย่างนี้ขึ้นมาปั๊บเราก็เออนะมันก็เริ่มไม่อยากทําแล้วเพราะคืนทําไปเดี๋ยวเราก็ต้องมาใช้หนี้เวนีน้กรรมนะกับคนอื่นเขาอะแม้แต่เราจะ ไม่ใช่แค่โลภแค่วัตถุเข้าของแม้แต่จะไปโลภเป็นอะไรอะชีวิตของคนอื่นบางทีโลภเป็นเอารัดเอาเปรียบแรงงานของคนอื่นเขาหรือบางทีโลภตัวตนบุคคลของคนอื่นเขาเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราจับจิตอย่างนี้ได้ล้วก็ลดละล้างมันนะให้หัดเสียสละให้หัดให้ยิ่งหวงก็ยิ่งหัดให้ ยิงผวงก็ยิ่งหัดให้อยากจะได้เข้ามาทักเหลือก็หัดบริจาคออกไปหัดแ จ, จกจ่ายออกไปนี่ก็ฝึกนะการไปบินธบาทของพระกร็ตามนะผู้เจ้าท่านก็ให้ฝึกชาวบ้านญาโยมได้ฝึกการเสียสละนะให้หัดทาบุญทาทานนี่ก็ฝึกเพื่อที่จะมาล้างจิตไอ้ที่เราจะขี้โลภแลตนตะนเรื่องผู้ชายผู้หญิงเนนนี้ศีลก็สาม ท่านก็ให้เนี่ยระวังระวังจริงมีกิเลสมีกามอยู่แต่บางทีจะไปชอบคนนั้นจะไปรักคนนี้โอ้โหบางคนมีครอบครัวแล้วก็ยังจะไปชอบคนโน้นจะไปชอบคนนี้อีกเนี่ยอนพอมันจะคิดขึ้นมาใช่ไหมศีลพวกเนี่ยมันจะมาคอยควบคุมหรือว่าคอยป้องกันไม่ให้เราเนี่ยปรุงสังขารต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยเพราะยิ่งปรุงไปเนี่ยประโยชน์ตนเราก็ยิ่งเสีย เสร็จแล้วยังไงพอยิ่งปรุงเลอะเทอะไปเรื่อยเรืเ่ยเรื่นี้ก็ไปเป็นชู้ของโดงคนนี้ไปผพร์ไปแพร์ประโยชน์ท่านประโยชน์ของคนอื่นอีกไปทําร้ายทําลายคนอื่นเขา อ, อีกเพราะมันเสียไปหมดเลยทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยประโยชน์ตัวประโยชน์ท่านเนี่ยมันมันมันคู่กันเลยมันไปด้วยกันเลยนะมันมันไม่มันไม่แยกออกจากกันหรอกนะแต่ว่าสองส่วนเนี่ยนะถ้าเราทําร้ายตัวเราเอง เราผ่านประโยชน์ตนของเราส่วนใหญ่เราก็จะมักจะไปผ่านประโยชน์ท่านด้วยส่วนใหญ่อลยนะแต่ถ้าเราเนี่ยผ่านประโยชน์ัประโยชน์ท่านเนี่ยเราก็มักจะผ่านประโยชน์ตนของเราด้วยเพราะว่าบอกแล้วว่ามันมันเดินเครื่องไปด้วยกันอ่ะนี่จะเป็นสีข้อสามก็ตามอันนี้พูดแบบคร่าวๆนะหรือยิ่งสีงข้อที่สี่คราวนี้มันไม่ใช่แค่ปรุงสังขารความคิดเท่านั้นนะ คุณยังไม่อยู่คุณตามจิตไม่ทันมันปุ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคุณเก็บไ่ไ้ในใจไม่ไม่ไม่ไหวแล้วกรนี้มันก็จะหลุดออกมาเป็นวจีกรรมใช่ไหมถ้ามันหลุดออกมาเนี่ยเป็นคําด่ามัง่งเนี่ยสินก็ที่สี่หลุดออกมาแบบชนิดเป็นคําหยาบมัง่งหลุดออกมาแบบแบบติขินนินทาคน อ, อื่นเขา รูห้หลุดออกมาแบบเพ้อเจ้อบ้าบาบอพูดอะไรตลกโปกฮะเธอรึ่งบงังลามกบงังอะไรบ้างเ น, มนีมันก็พูดไปเรื่อยปล่อยออกไปเรื่อยตามจิตที่มันสะสมนะสะสมว่าอย่างนี้มากมันก็ปล่อยอย่างนี้ออกไปมากเพราะควบคุมไม่อยู่แล้วแต่เห็นไหมละ่ะถ้าเราเนี่ยคอยตัวสีของเราอยู่บางทีพอจะหลุดออกไปเนี่ยโอนึกได้นึกได้ บางทีอ้าปากอยู่เนี่ยลมยังไม่ทันออกจากปากหรอกนั่นนึกได้ขึ้นมาโ อ, โ, อโอ้ตายแล้วเดี๋ยวผิดสี่ข้อสีนะเพราะอันเนี้ยนะเป็นเครื่องเตือนที่จะดึงจิตเรากลับมาอีกนะคราวนี้กระปรุงใหม่สิปรุงเป็นกุศลว่าอาพูดไปแล้วเนี่ยนะมันจะเป็นบาปเป็นภัยยังไงพูดไปแล้วจะมีมีบาปที่ต้องชดใช้อย่างไงถ้าอย่างนั้นเราเราพูดดีไม่ดีกว่าเหรอ เราปรุงจิตให้ดีเพราะที่เราจะได้พูดดีไม่ดีกว่าเลยแทนที่จะพูดด้วยความโกรธเนี่ย เ, เราพูดด้วยความสุภาพพูดด้วยความอ่อนน้อมไม่ดีกว่าเลยเนี่ยมันจะปรุงใช่มันจะปรุงในแง่บวกขึ้นมาเพื่อที่ให้เราเนี่ยสามารถพูดในแง่บวกออกมาได้คุณปรุงในแง่บวกในแง่กุศลถ้าคุณปรุงไม่มากพอนะคุณปรุงจิตเนี่ยไม่มากพอมันมันไม่กล้าพูดหรอก แม้ดีเนี่ยแหละคุณก็ไม่กล้าพูดคุณอย่านึกว่ า, าคนเราเนี่ยจะพูดสิ่งดีๆจะพูดง่ายนะถ้าจิตมันไม่ยอมมันพูดไม่ออกนะต่อให้ดีเนี่ยแหละเพราะบางคนเนี่ยบอกบอกว่าเออพูดให้สุภาพกับเขาใช่ไหมพูดแบบแม้ไม่ต้องแหมจ้จ๋ า, จาชนิดอะไรเนี่ยมดดอมปาก อะไรเงี้ยคือแม่ต้องไม่ต้องพูดหวานขนาดนั้นก็ได้แต่ไม่ง่ายจริงๆนะถ้าจิตคุณยังสะสมอกุศลอยู่นะหรือว่าสะสมกุศลไม่มากพอดีๆนี่แหละพูดไม่ออกละคุณเชื่อไหมล่ะยิ่งถ้าสมมติว่าใครเนี่ยที่ไปสะสมจิตที่มันบางทีจิตที่เราพูด แข็งแข็งวนห้วนมาบ่อยๆมามากๆนะอบอกแล้วว่ามันมันมาจากจิตมันจิตเราสะสมอย่างงี้สะสมอย่างงี้สะสมอย่างนี้สสนสสนนะให้มหาหัดพูดธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะพูดไม่ค่อยออกนะบางทีเนี่ยรู้สึกมันมันกระดาษใจยังไงก็ไมร่รู้เพราะรู้สึกว่าถ้าถ้าพูดอย่างนั้นมันมันจะหวานเกินไปหรือมันไม่ใช่เราจะรู้สึกอย่างนั้นเลย ซึ่งคราวนี้ถ้าเป็นเราเนี่ยตัวจิตเราเข้าใจได้โอ้โหเราจะเห็นเลยเห็นหมนเนี่ยเนี่ยเห็นชัดเลยวันนี้ถ้าเราเนี่ยนะยิ่งไม่ฝึกจับจิตให้ทันยิ่งไม่ปรับให้ได้เนี่ยนะแล้วก็ไม่สะสมจารเตือนสติให้เป็นกุศลและจิตให้มากพอเนี่ยรับรองว่าจีกรรมที่เป็นกุศลหลุดออกจากปากคุณไม่ได้ มันมันกลายเป็นอายบางมันกลายเป็นกลัวบางนะไม่กล้าพูดต่อเมื่อคุณเนี่ยสะสมกาลังกุศลนี่มากพอจใจคุณเริ่มจะลดกิเลสกลัวลดกิเลสอายเนี่ยลงไปได้แล้วมันจะกล้าพูดในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันจะกล้ามากขึ้น